บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนได้พูดถึงนิวรณซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีที่พระพุมีพระภาคเจ้าทรงสอนข้อปฏิบัติระดับสมถกรรมฐาน เพื่อมุ่งสงบระงับนิวร์ทั้ง5ประการเหล่านั้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ว่าการที่จะสามารถสงบกิเลสได้ด้วยวิธีของสมถกรรมฐานนั้นจำเป็นจะต้องปูพื้นฐานในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการปิดกั้นกระแสของนิวร์อย่างน้อยก็บางเรื่องเอาไว้ และพยายามลดละความรู้สึกในกลุ่มของนิวรณ์ที่มีอยู่ภายในใจให้บรรเทาเบาบางลงไปเป็นการเตรียมจิตของตัวเองให้พร้อมที่จะเจริญกรรมฐานเพื่อให้นิวรณ์เหล่านั้นสงบระงับลงไปในเวลารวดเร็วซึ่งกานี้จะพบว่าจากการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาโดยลำดับนั้น แต่ละครั้งที่มีการเจริญสมาธิก็ต้องต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้บางครั้งก็มีกำลังมากเหลือเกินจนไม่อาจควบคุมจิตให้สงบอยู่ได้บางครั้งมีจำนวนน้อยๆน่อยก็ควบคุมไม่ได้บางช่วงบางระยะทําให้ได้สัมผัสผลของจิตที่มีความสงบจากนิวรณ์ว่ามีรสชาติที่แปลกออกไปจากจิตในเวลาปกติธรรมดา แต่การจะสมบัติผลเช่นั้นได้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเพียรในแต่ละวันประการฏิบัติธรรมนั้นให้ลองสังเกตว่าพระเจ้าจะทรงใช้กำวมามีมาความวาเราต้องมีธรรมะเหล่านั้นอยู่ภายในใจมีสติอยู่ภายในใจมีความเพียรอยู่ภายในใจมีสัมผชัญญาอยู่ภายในใจ พร้อมที่จะปิดกั้นกระแสของกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมที่จะมองเห็นโทษของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละบรรเทาลงไปพร้อมที่จะเพิ่มพูนความดีไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามที่ยังไม่เกิดให้ให้บังเกิดขึ้นอย่าที่ทรงสอนให้มองด้วยความไม่ประมาททั้งส่วนของความดีและความชั่ว ถ้จะเป็นความดีก็ตามความชั่วก็ตามก็มีจุดเริ่มต้นเล็กๆมาก่อนก็ทำนองเดียวกับเครือโรคหรือทำนองเดียวกับสิ่งทั้งหลายนี่มีจุดเริ่มต้นเล็กๆมาทั้งนั้นแต่ถ้าส่วนที่เป็นโทษหากบุคคลไม่ปิดกั้นเอาไว้หรือลดละลงปอกไปในสุดก็จะเจริญเติบโตขึ้นถ้าเรามองกิเลสคล้ายๆกับโรคก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรคบางโรคนั้น เมื่มีข่าวว่าโรคเหล่านั้นระบาดเราก็ฉีดยาป้องกันเอาไว้แต่ในกรณีที่โรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามหาทางบําบัดออกไปให้ได้หาก็สามารถบําบัดได้ในตอนต้นปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็ลดน้อยลงหน่อยแต่ถ้าปล่อยโรคเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นการแก้ไขบําบัดปัดเป่าก็ต้องใช้เวลานานอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ส่วนของสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อร่างกายก็พยายามที่จะรับประทานเข้าไปหรือพยายามใช้สอยสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อมองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พยายามถนุถนอมรักษาเอาไว้นั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของบุคคลในกรณีของกิเลสประเภทนิวรหรือแม้จะเรียกอย่างอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้น าการศึกษาถึงที่ไปที่มาถึงโทษของสิ่งเหล่านี้ให้ไปจากแจ้งแก่ใจจึงมีความจำเป็นเราจะพบว่าโทษของกิเลสนั้นจะส่งจำแนกสแสดงไว้โดยในญาตต่างๆเป็นนั้นมากคือไม่ใช่เกิดแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยเฉพาะจุ ด, จดใดจุดหนึ่งหรือช่วงใดช่วงหนึ่งแต่จะมีผลนันยาวนานใลๆ้ๆกับคนที่ทาความชั่วความผิดไว้ใน เวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ความชั่วเหล่านั้นก็กลายเป็นตราบาปติ ด, ดตัวบุคคล น, นั้นไปทุกครั้งที่ใครพบเห็นคนนั้นก็จะนึกถึงความชั่วของบุคคล น, น, น, นั้นด้วยแม้แต่ตัวบุคคล น, นั้นเองถากว่ามีความเป็นสมาธิพอมีความรู้เหตุรู้ผลพอ พอนึกถึงตัวเองในอดีตก็จะนึกถึงความผิดพลาดในอดีตทุกครั้งเพราะนั้นสิ่งที่เป็นจาบาสนี้ถ้าว่าพยายามป้องกันไม่เกิดขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดีพิเศษแต่ถ้าม็นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเพียงพยายามลดละออกไปเพราะว่าผลที่กระทบนั้นมีความรุนแรงสืบต่อข้ามพบข้ามชาติไปได้วยซ้ำ อย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆถึงผลจากการกระทําบาปในข้อสุดท้ายของโทษทั้งหลายนั้นจะใช้คําว่าหลังจะตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกติวินิบาตในรกกสุรกายซึ่งอันที่จริงแล้วการบังเกิดในนรกนั้นกับการกระทําบาปนั้นช่วงมันห่างกันแสดงทุกบาปมันกต็ติดตัวบุคคลไป ให้ผลในปัจจุบันยังไม่พอยังให้ผลในภพในชาติต่างๆอีกด้วยแต่บุญก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะคําว่าบุญคำว่าบาปนั้นที่จริงเป็นตัวสะท้อนของอกุศลและกุศลเป็นผลที่ปรากฏแก่ใจท่านเรียกว่าบาปเรียกว่าบุญบาปจึงหมายถึงความเศร้าหมองที่ปรากฏแก่จิตบุญหมายถึงความสุขที่ปรากฏแก่จิตแต่ตัวเหตุนั้นก็ เกิดขึ้นจากอากุศลนเจตนาหลือกุศลนจตนาที่ปรากฏภายในจิตบุคคลแล้วเป็นเหตุใด้ทำพูดคิดไปตามนั้นเพราะแต่ละอย่างจึงมีที่ไปที่มาของเขาส่วนหนึ่งทุกคนนั้นมีธาตุคือมีเชื้อของกิเลสอยู่ที่สรงใชก้ากรรมกามาธาตุคือเชื้อของความใคร่ที่มีอยู่ภายในใจ ก็เป็นเหตุให้การมีการกำหนดหมายอารมณ์ต่างๆโดยอำนาจของความใคร่ที่มีอยู่ภายในใจตัวเองพึงสังเกตว่าเป็นการกำหนดด้วยความใคร่ที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลแต่ละคนกรณีสามารถสังเกตได้เช่นคราวรับประทานอาหารเป็นต้นคนจะเลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบเพระพื้นฐานการเพราะ ฝังความชอบในรสชาติอาหารเหล่านั้นแตกต่างกันจนกลายเป็นธาตุที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลดถวนั้นและแม้แต่เรื่องอย่างอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันไมยว่าเรื่องที่จะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายและจึกนั้นด้วยใจถ้าเวลาชอบหรือไม่ชอบนั้นคนจะชอบหรือไม่ชอบแตกต่างกันในความชอบไม่ชอบนั้นอาจจะมีชอบมากชอบน้อยไม่ชอบมากไปชอบน้อยเปรายละเอียดออกไปอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงหเห็นได้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภายในใจของเราเที่เรียกว่าการมธาตุคือเชื้อของความใคร่ความพอใจความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายถ้าเรื่องอะไรที่เราไม่มีเชื่ออยู่ภายในใจแม้จะรับอารมณ์จากข้างนอกอารมณ์เหล่านั้นก็จะไม่มีอิทธิพลอะไรมันก็มีแค่เป็นโมหะคือความไม่รู้เท่านั้นเอง ซึ่งคนนี้ท่านสาธุชนจะต้องมองให้เห็นอยู่ภายในใจของเราเองแค่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยได้เห็นหรือได้ยินมาเลยในชีวิตการพบกับสิ่งนั้นครั้งแรกจะไม่รู้สึกยินดีหรือยินร้ายเพราะไม่มีาธาตุเกือความยินดียินร้ายในสิ่งเดล่วนั้นอยู่ก่อนแต่มันจะเกิดความไม่รู้หรือว่าเรียกว่ามโมฆะ ออกมาในรูปของความเครือบแคลงสงสัยดิ้นรนขวนข่ายที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมีผลมีโทษอย่างไรมาศึกษาจนเกิดความเข้าใจแล้วต่อไปจะเกิดความรักหรือความชังขึ้นเพราะการประสบอารมณ์ในอารมณ์นั้นในช่วงต่อไปตลอดถึงในเวลาอื่นๆก็จะรู้สึกรักหรือชังตามตามที่ตนเก็บเอาไว้แต่ช่วงแรกสุดจะไม่มีความรักความชังแต่จะมีความไม่รู้อยู่ภายในใจ เรื่องเหล่านี้ท่านสาส่วนสามารถสังเกตได้กลับไปจากนี้ก็สามารถสังเกตเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้คือดูที่กระบวนการทางจิตหรือพฤติกรรมของจิตซึ่งมีความเป็นสากลไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่ใครที่ไหนอย่างไรก็ตามนั้นก็คืออาการของกิเลสในชั้นแรกเราพบสัมผัสโลกครั้งแรกเป็นโมหะโมหะตอนยังถือเป็นตัวคุ้มพอจิตใจของบุคคลเอาไว้ แล้วต่อมาเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษก็จะเกิดความชอบหรือความชังขึ้นภายในใจตัวเองในส่วนที่ชอบก็ก่อให้เกิดเป็นการมัฉันนิวรณ์มีการตริดเหนียวนึกในการตรึกนึกกันด้วยวิธีการต่างๆทั้งส่วนที่ผ่านมาแล้วทั้งส่วนที่กําลังปรากฏทั้งมีการไขว่ควา้าปรารถนาสิ่งเหล่านั้นให้มีให้ได้ให้เป็นในอนาคตในส่วนที่เราไม่ชอบ เราสังเกตว่าที่จริงมันก็เริ่มมาจากไม่ชอบแล้วจะออกมาไม่พอใจไม่ยินดีเกลียดปริมาณของความรู้สึกเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นโกรธเมื่อโกรธมากเข้าก็อาจจะผูกโกรธผูกโกรธมากเข้าก็อาจจะกลายเป็นประทุษร้ายประทุษร้ายแล้วเป็นการเพิ่มรอยช้ำในดวงใจมากยิ่งขึ้น หลังจากได้ต่อสู้ทางกายก็ตามทางหัวใจา ก, ก็ตามนะทั้งสองอย่างก็ตามความรู้สึกเหล่านั้นยังไม่หายไปจากใจมันก็กลายเป็นความอาฆาตพยาบาต่อการจองล่างสองผานความรู้สึกเหล่านั้นพอเกิดถึงขนาดนี้แล้วก็จะอยู่ภายในใจนานซึ่งปิดกับความไม่ชอบความไม่ชอบนั้นอีกหน่อยเดียวก็จางไป แต่ถ้ากลายเป็นราคา พ, พยาบาทนั้นจะอยู่ได้ถึง20ปี30ปีหรืออาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้นั้นแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกในลักษณะนั้นมีเป็นอันมากที่เมื่อก่อนไม่มีแต่ในที่สุดก็เกิดมีขึ้นจุดเริ่มต้นจึงอยู่ที่การกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นในแง่ที่เราไม่ชอบโดยกาหนดด้วยความหยินไร เพาอารมณ์ข้างนอกรู้เจ้าจึงส่งจําแนกไว้เพียงสองประเภทส่งใช้สํำนวนบาลีว่าอิทธารม์กับอนิธารมณ์อิทธารม์ก็คืออารมณ์ที่ใจเราไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอนิธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ใจเราไปกําหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอันเป็นการแสดงเห็นว่าตัวอารมณ์นั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็น ก็อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของเขาแต่การที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกรักไว้ชางนั้นอยู่ที่ใจเราไปกับหนดตราเองเพราะาพยาบามก็สงสอยในแนวสืบสวนเช่นเดียวกันเพราะตามปกติใจเราก็ไม่ได้พยาบามบัดยตลอดมีเป็นอันมากที่ใจเราอยู่ด้วยกุศลมีเป็นอันมากที่ใจสงบมีเป็นอันมากที่ใจวางเฉย แต่ก็มีเป็นนันมากว่าการที่ใจยินดีแล้วก็ใจยินร้ายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจในแต่ละขณะจะเป็นช่วงยาวหรือช่วงสั้นก็ตามรุนแรงแต่เกิดมาจากใจของเราเองก่อนเป็นประการสำคัญเพราะอยังที่บอกมาไว้ในตอนต้นว่าถ้าเราสัมผัสครั้งแรกเราไม่รู้ จะไม่ใส่ใจที่จะรู้อารมณ์เหล่านั้นจะไม่มีอิทธิพลในการสร้างความรักชังอะไรให้แก่เราเลยผ่านมาก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ได้ยินเลยไปเห็นแล้วก็เห็นเลยไปถ้าลองประมวลอารมณ์ในลักษณะนี้ตลอดชีวิตเราจากเกิดมาจนถึงขณะนี้อารมณ์ประเภทนี้จะมีมากที่สุดอารมณ์ประเภทที่เราไม่สนใจไม่รับรู้ ไม่ได้มีที่ผลในการสร้างความยิน ด, ดีความยินร้ายเกิดขึ้นกัเราอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความยิน ด, ดียินร้ายหรือเกิดความรักความชังที่จริงไม่มากเพราะว่าชีวิตคนแต่ละคนนั้นสัมผสัสอารมณ์ได้ไม่มากคนคนหนึ่งรู้จักคนไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนก็รู้จักคนเป็นจำนวนพันแต่นั้นเองบางคนอาจจะไม่ถึงพันเลยทั้งไปเกี่ยวข้องกับบริเวณสถานที่บุคคลต่างๆก็ไม่ได้มากมายอะไรเกิดมาชาติหนึ่ง เพราะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อใจที่ก่อเกิดเป็นความระความชางังจึงมีจำนวนข้างนอกในไม่มากแต่เมื่อเข้ามาอยู่ที่ใจเราใจเราเกิดปเป็นเหนียวนึกไปปรึกนึกไปศึกนึกไปปรุงแต่งไปขยายออกไปจากจุดซึ่งมีความชอบหรือความชางังความนึกขยายนั้นเป็นการนึกขยายกพ่เราเองคนที่เรารักชังนั้นจะไม่ได้ มีส่วนในการปลุกราวอะไรก็ได้หรือบางทีก็มีส่วนก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่สรุปว่าแม้เขาจะมีส่วนในการปลุกราวให้เกิดเป็นความรักความจังถ้าเราจิตใจเรามีความมั่นคงพอการปลุกราวเหล่านั้นก็สักแต่ ว, ว่าการปลุกราวไปอย่างที่พระเจ้าทรงชีย้ยดูต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง นายลมจะพัดมาจากทิศทั้ง4ี่ก็ไม่สามารถจะโยกคลอในให้หวั่นไหวได้แต่อุปมาแนวนี้จะทรงใช้ภูเขาแทนที่จะใช้ต้นไม้มันดูไม่เกิดภาพก็จะใช้ภูเขาภูเขาศีลาแท่งทึบที่ไม่สามารถจะโยกคลอในให้เกิดความหวั่นไหวไม่ว่าจะโดยการกระทําของคนของขอ ง, ของลมที่พัดมาจากทิศทั้ง4ี่ก็ตามจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่า เขาสามารถปฏิบัติพัฒนาให้ส ง, งบจากอำนาจของนิพนธ์ทั้งห้าเป็นต้นได้แต่ตามปกติมันก็ยากแต่จะทำได้ในลักษณะนั้นทำอย่างไงในชีวิตประจำวันจะไม่กำหนดอารมณ์ในแนวนี้มากเกินไปจะถามว่ากำหนดอารมณ์ในแนวใดกำหนดในแนวที่ไม่ชอบ ที่ตอนนี้ว่าปฏิฆะสัญญาคือความกระทบกระทั่งความหมงุดหงิดความรำคาญความไม่พอใจคือพร้อมที่จะกลายเป็นความพยาบาทในโอกาสต่อไปที่จริงอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์ให้เราสังเกตว่าบางครั้งเราก็อยู่ที่บ้านก็เราปกติเสียงรถเสียงคนก็ดังอยู่เป็นปกติแล้วเราก็ทํางานก็ได้โดยปกตินอนหลับได้โดยปกติสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งเหล่านั้น เสียงรถก็สักแต่ว่าเสียงรถเสียงคนก็สักแต่ว่าเสียงคนเสียงลมก็สักแต่ว่าเสียงลมเพราะโดยธรรมชาติจริงๆมันก็แยกกันอยู่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่การที่เขามีอิทธิพลเหนือใจเราก็อยู่ที่เราไปกําหนดเขาว่ารําคาญเสียงรถนี่จริงราคาญเสียงคนนี่จริงราคาญลมพัดจริงรําคาญสุนัข่าวหอนจริงๆพอใจไปเกิดกําหนดอย่างนั้นแล้วอาการความเปลี่ยนแปลงภายในจิตก็จะเกิดขึ้นคือรู้สึกปฏิฆะ หงุดหงิดกำคาญไม่พอใจแต่ทีนี้ถ้ารับอยู่เรืสึกนึกอยู่เรืเหี่ยวนึกอยู่เรืความรู้สึกเหล่านั้นจะแรงคือเราจะนอนอยู่กับที่ไม่ได้นะอาจจะต้องลุกขึ้นมาทะเลาะ ก, กับสุนัขลุกขึ้นมาทะเลาะ ก, กับชาวบ้านอาจจะลุกขึ้นมาแต่กลด่ารถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็ได้ซึ่งลักษณะเหล่านี้ที่จึงเป็นการสะท้อนจากจิต ของคนจึงความรู้สึกประเภทนี้เขารุนแรงขึ้นอาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางครั้งก็ส่งสอนให้ดูที่จิตเราว่าบางทีไม่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกก็ได้แต่ว่าเราไปตรึกนึกเป็นเหยวในตักกวเองเพราะอะไรเพราะพื้นฐานของพยาบาทฐานคือเชื้อของพยาบาทที่มีอยู่ภายในใจเราแล้ว แล้วก็มีการกำหนดหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ชอบเสียงเหล่านั้นเราไม่ชอบคนนั้นเราไม่ชอบแต่ในที่สุดก็มาคิดถึงด้วยความไม่ชอบคิดถึงคนที่เราไม่ชอบด้วยความรู้สึกไม่ชอบให้เราสังเกตจะมองเป็นสองช่วงคนนั้นเราไม่ชอบเราคิดถึงเขาด้วยความไม่ชอบความรู้สึกไม่พอใจก็จะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่แต่คนเราที่เราไม่ชอบนั่นเองเราคิดทำไมเขาเคยทําความไม่ดีกับเราจริงแต่ว่าสิ่งที่ดีงามต่างๆนั้นเขาได้ทํากับเรามากเลยเกินมีอุปราคุณมามากได้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลมาในครั้งนั้นครั้งนี้ความรู้สึกไม่ชอบจะถูกสลายสลายให้ลดไปจางไปบรต่อไปจนหายไปก็ได้หรือว่าที่เราก็มองในแง่ของอุเบกขาเซีย กรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรไปก็ทําให้เราไม่ชอบมันก็เปเรื่องของเขาโทษบาปเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแก่เขาถ้าหากว่าเราไปไม่ชอบเขาด้วยไปดา่าตอบเขาด้วยไปคิดพยาบาทอคตเขาด้วยจิตใจเราก็เศรหมองเราก็สะสมบาปเพราะการกระทาของบุคคลอื่นเป็นเหตุเราก็ตัดกระแสแลระนั้บจะได้เพราะงั้นจุดที่จะเพิ่มเป็นความรุนแรงก็คือเขาเรียกว่าพยาบาทปาดสังกปะคือตรึกนึกหรือเหนียวนึ ก, ก, น ก, นกด้วยความไม่ชอา และในที่สุดมันจะมองมุมเดียวคือมุมที่ไม่ชอบ <c oughs> ก็คล้ายๆกับ <c oughs> เรามองเสื้อผ้าหรือมองอาหารหรือมองอะไรก็ได้มองพ้นไม้อะไรก็ได้คือถ้าเรามองมุมที่เน่าเสียเพียงอย่างเดียวในสุดก็จะโยนจริง แต่ถ้ามองในแง่อื่นมุมอื่นเทียบเคียงกันแม้จะเน่าเสียทั้งหมดเออใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมใช้กินไม่ได้จริงแหละแต่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมปัญญาก็จะเกิดขึ้นวินิจฉัยสิ่งนั้นในแง่ที่กินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้แต่ไม่จะกินไม่ได้แล้วจะใช้อย่างอื่นไม่ได้ก็ดูสิใช้ใอย่างอื่นได้ไหมแล้วก็นําไปใช้ในลักษณะอย่างอื่นในขั้นตอนอื่นบุคคลเหล่านั้นก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น นั่นก็คือคนที่พยาบาทคนที่ทำให้เราพยาบาทและทำให้เกิดโกรธนั่นเองถ้าหากว่าเราคิดในแง่นี้เราก็จะได้ประโยชน์คือตัวพยาบาทเดิมนั้นจะสงบลงไปในขณะเดียวกันเราก็หาประโยชน์จากความคิดที่เป็นพยาบาทได้โดยเอาจิตสองช่วงมาเทียบเคียงกันช่วงที่พยาบาทกำลังเกิดขึ้นรุนแรงช่วงที่พยาบาทได้ลดลงไป ก็มองเห็นว่าความสงบนั้นแตกต่างกันช่วงไปอัมบะความยาบาตเกิดขึ้นรุนแรงนั้นใจเราไม่สงบเลยนอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายพลิกไปพิกมาแต่พอยาบาตมันลดแล้วก็รู้สึกสงบเยืกเย็นก็สามารถนอนหลับได้ตามที่ต้องการก็จะมองเห็นโทษที่ทำให้ตนเองเกิดความกระสับกระส่ายมองเห็นคุณที่ความกระสกระส่ายลดน้อยลงในสุดก็จะไปแก้ไขตัวที่ ขอให้เกิดความกระสับกระสายขึ้นภายในใจนั่นคือความพยาบาทเป็นต้นเพราะมุมมองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถ้าเรามองตรงนี้ได้ใจก็ไม่ร้อนแต่ถ้ามองไม่ได้ไปริมาณของความตรึกนึกความเดียวนึกโดยนัยยะดังกล่าวนั่นเองมีการมองในมุมนั้นในแง่นั้นในที่สุดจิตจะร้อน ร้อนจนถึงคิดจะแก้แค้นคิดจะโต้อตอบคิดจะทำลายคิดจะล้างพราญบุคคลเหล่านั้นในลักษณะที่เรียกว่าถอนลาภถอนโคนก็มีท่นี้เราก็จะเห็นจากพฤติกรรมที่ชาวโลกเขากระทากันบางครั้งเป็นการฆ่าล้างโคตรบางครั้งเป็นการฆ่าล้างงงบางครั้งเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์กันนั้นเพราะอะไรเพราะพยาบาทมันกระจายออกไปที่จริงก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นจากคนใดคนหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างที่เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องหลดนี้ก็คล้ายๆความคิดทิเเลอร์ที่เกิดไม่พอใจคนยิวเพียงเพียงคนเดียวครั้งแรกและใ น, นที่สุดที่ตรึกนึกในแนวนี้ด้วยไปก็มองเป็นคนยิวก็คือคนที่ไม่ดีจะต้องทําลายล้างจะต้องแก้แค้นจะต้องกวาดให้ตกไปจากโลกนี้ฮิสูกะซาโมไม่หลายปีมากข่าวหลาข้อมูลเพิ่มขึ้นก็มองในแง่ไม่ดีทั้งหมดในที่สุดมันก็ออกมาอย่างที่ เหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั่นคือตัวการจริงๆที่มาจากจุดเริ่มต้นก็คือที่จริงก็คือปฏิฆาตนั่นเองมันไม่ถึงกับพยาบาทแต่ว่าเนียวนึกตึกนึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใอทีสุดก็กลายเป็นพยาบาทอาฆาตต้องการจะแก้แค้นโดดตตอบทำลายล้างเพราะทางการสอนให้มองถึงที่มาว่ามันเกิดขึ้นจากปฏิฆานิมิตคือการกำหนดหมายการมองในมุมที่ให้เกิดพยาบาท แสดงว่าอะไรแสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมองให้เกิดกิเลสก็ได้ให้เกิดธรรมะก็ได้พูงง่ายให้เพิ่มกิเลสก็ได้ให้เพิ่มธรรมะก็ได้เพราะว่าจะพูดว่าให้เกิดธรรมะมันก็ไม่เชิงธรรมะมันก็มีอยู่แล้วให้กิเลส ก, ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นไม่ถึงก็เกิดขึ้นกลุ้มรุ ม, รมใจแต่นันเองเันคิดได้เพิ่มธรรมะก็ได้คิดได้เพิ่มกิเลส ก, ก็ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์เดียวกันนั่นเอง ในจุดหนึ่งในขณะดหนึ่งร้อยเกิดอาการสยบติดด้วยประการต่างๆมีการยื้อแย่งต่อสู้ประหารประหารเพื่อได้มาเพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นจนถึงก็มีคนล้มตายลงไปเป็นนั้นมากตีช่วงหนึ่งอีกจังหวะหนึ่งวัตถุนั้นสถานะตําแหน่งเหล่านั้นตลอดถึงชั้นยศทรัพย์สิริคารเหล่านั้นเองที่เคยยื้อแย่งกันมาในช่วงหนึ่ง เมื่อภูมิธรรมสติปัญญาของบุคคลสูงขึ้นก็จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอสรุรพิษที่ดึงเอาภัยเอาอันต ร, รายเอาโทษบาปต่างๆมาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นจำนวนมากก็พยายามที่จะสลัดออกพยายามที่จะคลายจิตใจตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นตัวอย่างบุคคลเหล่านี้ก็มีเห็นอยู่ทุกประเภทแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะ เป็นเรื่องคนคนเดียวแต่เป็นการมองคนละมุมหรือมองคนละระดับจิตกันคือว่าการมองสิ่งต่างๆมาสังเกตว่าสิ่งที่ขึ้นปรุงจิตมันมีอยู่สองอย่างตัวนอกก็คือสิ่งนั้นนั้นดแก่รูปใดแก่เสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นๆตัวในก็คือกิเลสหรือธรรมะที่เกิดขึ้นปรุงที่ท่านใช้กัรมเจตสิกปัญหาว่าเราจะมองจากมุมใด ในช่วงนั้นถ้ า, ากวาธรรมะเกิดก็จะมองเห็นอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งในจุดนั้นแหละก็จะถือว่าสิ่งนั้นถูกประดับประดาปรุงแต่งไว้ก็ไม่เชิงมันก็อยู่ที่ภูมิธรรมสติปัญญาของท่านเหล่านั้นว่าสามารถเจาะทะลุทะลวงภาพมายาเหล่านั้นไปได้หรือไม่แล้วกาถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่เราจึงพบพระอริยบุคคลเป็นอันมากที่ท่านมองทรัพสมบัติเป็นเรื่องน่ากลัวมองวัตถุกรมทั้งหลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว จนในที่สุดก็สละละวางสิ่งโดโนั้นออกไปหรือบางครั้งก็เรียนจากเรื่องราวหรือบุคคลที่ทำให้ตนโกรธแต่ก็ได้ประโยชน์จากตัวความโกรธที่บังเกิดขึ้นหรือคนที่ทำให้เราโกรธนี่ก็อยู่ที่ภูมิธรรมของท่านสติปัญญาของท่านว่าท่านจะหาได้ระดับใดแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าวัตถุเดียวกันนั่นเองเป็นทางนิพพานก็ได้ทางนารกก็ได้ทางสวรรค์ก็ได้ เพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่ารั์สิ่งของอย่างหนึ่งเราเห็นแล้วเราชอบแต่ไม่ใช่ของเราเราไปยุยแย่งเขาเพื่อได้มาตัวได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดนี้มันก็สร้างบาปสร้างนารกให้แกตัวเองแต่ถึงจุดหนึ่งมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นก็สละสิ่งเหล่านั้นเกือกูล แก่สังคมมันเป็นส่วนรวมถึงแม้จะมองคล้ายๆกับทาบุตล้างบาปอะไรก็ตามแต่สภาพจิตนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นได้จางลงคลายลงสติปัญญาที่เคยปิดบังเหตุผลเอาไว้ก็เกิดขึ้นมองเห็นโทษของการกระทําในอดีตและตลอดถึงมองสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความ กำนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาเป็นพันธนาการของชีวิตที่ผูกมัดคนเอาไว้ไม่ให้หลุดรอดจากความทุกข์ไปได้ก็เกิดเบอหน่ายคลายกำนัดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ผลักดันให้ออกไปหาความสงบซึมม่งก็หมายความวัตถุเดียวกันนั่นเองอาจจะสร้างนารกสร้างสวรรค์สร้างนิพพานให้แก่บุคคลก็ได้ขึ้นอยู่กับการกำหนดอารมณ์ของบุคคลเหล่านั้น วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความพยาบาทก็มีลักษณะชิ้นเดียวกันคืออาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความรักก็ได้แล้วก็เปลี่ยนจากความพยาบาทเป็นความเมตตาก็ได้ซึ่งใาลองสังเกตว่าคนบางคนที่เราเคยไม่ชอบเคยพยาบาทเคยเกลียดเขารุนแรงแต่ต่อมาเขามีความสานึกเห็นความบกพร่องของตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเอง ต่ความปัญญาบ า, านั้นมันก็ลดลงไปจากใจเราไย้เพราะอะไรเพราะว่าการกระทำของเขานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นเหตุให้เราเกิดความปัญญาบาศแล้วต่อมาก็อาจจะกลายเป็นคนที่รักสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษก็ได้ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึขต่อ